ชาวิสัชนาธรรมกับท่านหลวงตาในมังสา์ขีนานอยู่ตอนธรรมะของผู้ครองเงินตอนที่สาแมแน่เลย อ, อะไรเนี่ยตัดใจแบบที่กระจายอยู่นานตัดใจตัดสินใจ ต, ต้องมีอะไรที่อากให้รู้หรือว่าคนของเราหรือว่ามีสิ่งที่อยากจะให้เรารู้ รวมก็เลยอธิตฐานสิริมงคลเพื่อไม่ทำมาในสัสารวัตทั้งหมดตั้งแต่ตั้งชิงได้ในปังสารวัฏทั้งหมดคุณที่ประกอบจญาทั้งหมดจงมาให้ถึงนขบขันนี้ทั้งหมดที่เดยรองบริฐานแบบนี้แาะว่าชิงใดก็ตามที่พระสมมาตสของพเจ้าหลาัชาตาที่จะให้สับด้วยให้รู้เพึ่งพึ่งขอให้เจ้าด้รู้ในขบขันนี้ทั้งหมดที่เธออ่าสาธุสาธุแบบนนะคะ เร่หลังจากนั้นมันตัวผู้รู้ก็า้องมาติดขึ้นแบบต่อเรื่องมากมาต่อเรื่องมากต่อเรื่องมากกจะลับไปดูตายที่วัาเราเห็นเช้าวันนั้นรู้สึกว่าดูในเช้าวันนั้นมันเหมือนเหมือนว่ามันมันไม่ใช่คอนกาแต่งเลิ่มพ้นจถึงสุดท้ายที่เราที่เราได้วางได้เนี่ยมันเหมืนมันรวรวมมันเป็นความเป็ น, น, วนความรู้ความเชื่ออย่างลึกๆให้เราก็ได้กลับไปเชื่ล้ ที่นาอยู่เป็นแบบทะลุเหมือนล่เลือดผิดการแล้วก็เป็นของโยดนะเสร็จแล้วก็วางได้กายโอ้โหเปอย่างงี้วางได้เป็นอย่างที่เราเห็นริงวางได้ทีนี้ก็กำลาจอย่างในจิตก็วางได้วางได้ทีนี้วางได้สุดก็ยังมตัวูรู้อยู่ใช่สมใจไมวจบโยมก็ ดูไปดูมา ด, ดูไปดูมาดูไปดูมาติดต่อเรื่องกันมากติดต่อเรื่องกันมากจนแบบว่าจนแบบว่าโยมแบบเห็นดูก็รู้ว่ามัอมันก็เป็นสภาพเหมือนกระสิบทั่วไปก็คือว่ามันรู้สึกขึ้นเองแล้วประดับไปหายไปเหมือนกันมันนึกจะเกิดมันก็เกิดนึกจะไปมันก็ไปเหมือนกันไปแล้วก็มเหลืออะไรเลยชี่จะไม่มีอะไรจะดูแล้ว ทั้งกายทั้งกายทั้งจิตที่เป็นเซียวจิตต่างๆที่เราดูนะดับอิคุรู้มันก็เกิดดับเหมือนกันแล้วก็นอกหนืออานาจของเราหมดเลยทุกอย่างเลยถ้าเราจะไปดูอะไรไม่มีอะไรจะดูแล้วไม่มีอะไรจะรู้แล้วใช่ไหมสรรอกตัวก็เหมือนกันไม่มีอะไรจะดูแล้วเราจะดูอะไรเนี่ยจะการเรียนหองจารก็ไม่ได้หลวงจารก็เป็นคำที่ไรอยู่ทำยังไงแล้เราจะดูอะไรตัวเราก็มัไม่ถึงคำที่หลวงจาวก็ เมื่อเรารู้สึกทุกอย่างแล้วอว่ามันมันเสริมเอะดับเองทุกอย่างนอกจากธรรมชาติของเราเพื่อเองความรักสามก็จะรู้สกหรือที่มันมันไม่เห็นจะสาระคือมันมันไม่รู้จักรู้อะไรแล้วแบบนั้นนะคะตอนั้นความรู้สึกตนนั้นนะคะก็เลยธรรมชาติที่มันรู้อดในะที่ธรรมชาติที่มันรู้ดีนะที่มันจะนรี้นรู้ ชือเดยบอกว่าไม่ใช่ว่าไปทำสภาวะร่องว่าเราจไปสร้างมั่นอยู่ตรงนั้นใหมันเลยองนเปสภาพที่ว่าจากความที่ไม่ไม่จเป็นต้องมารู้อะไรอีกแล้วมันหมดแล้วสิงที่เราคินานามันหมดมันไม่เหลืออะไรแล้วก็เลยเป็นสภาพที่รู้อย่เรื่อยรู้ไปเรื่อยื่อยเอยไรื่อก็รูระทานใคได้หรือเลรถามใครแล้วแล้วก็ลองดูิ จะไปดูไกลมันก็ไม่ไกลแล้วนะคะเหมือนกับว่ามันก็ไม่ไกมันก็ไม่ยอมไปดูแล้วไปดูจิตปัญญาจิตแต่ละอันมันก็ไม่จะดูแล้วคงไม่ไปดูแลแต่แต่สภาวะที่มันรู้นะนี่ค่ะตอนที่มันจะเห็นตรงที่ว่าโยมเห็นว่าสภาพรู้เนี่ยมันก็เิดอดบเหมือนกันเนี่ยเหนื่อยมากรวมเหนื่อยมากมันจิตมันทํางานทํางานแบบแบบเอ่อตัวผู้รู้มันทํางานเพราะงั้นที่ จิตที่เราทํางานอยู่ิปกติที่มันทางานอยู่กระจายปกติที่มันทำงานอยู่นนนยยนยนนเนี่ยมันก็ทาของมันแหละแต่ว่าคุณรู้มันจะมันไปกลับตรงนั้นตรงนี้มันละเอียดมากเลยมันโยกซื้ อ, อไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากเลยมา ก, มากไม่ไหวแล้วเนี่ยทำไมเป็นเหนื่อยทาไมเป็นเหนื่อยเนี่ยมันขึงเราไม่ได้จาวางมันรู่ๆๆๆๆจนถึงเที่ยงคืนจะดู้เลยอู้ยรางกายแย่มากแย่มากพอเป็นอย่างนี้เนี่ยเออจะรู้แบบว่าหรือเป็นเพราะเราหรือเป็นเพราะว่าเราอธิฐานว่าให้เรารู้ทั้งหมดแหละ มัไม่ไหวแล้วเนี่ยว่าร่างกายโยมอ่อนแอมากแต่จิตใจโยมวางเหมือนกับผมอยากเข้าใจทุกอย่างเข้าใจแม้กระทั่งร่างกายที่อ่อนแอที่มันจะตายทมันจะอะไรมันก็เป็นเหมือนนั้ของมาเลยว่าทุกอย่างเหมือนว่าจะตายวันนี้ก็ยอมตายเพราะว่ามันก็มันก็แบบคือมันมันแยกกันไปแล้วแล้วบังคับให้ตัวรู้มันหยุดให้มันหยุดรู้มันก็ไม่หยุดทําไงมันก็ไม่ฝั่งอะไรก็ไม่ได้สักอย่างสมดยสุดก็สงสัยว่า ้องสัยว่าสภาพธรรมะต่งางๆที่เราทําไรมันจะทําให้เรนรู้ในวันนี้หรือมั้งยอมเลยเพราะวยอมเลยก็เหนื่อยจะอดทนยอมก็ยอมเหนื่ยก็เลนื่อยจอดทนยอมก็ก็คือนาร้อไม่ได้แต่คไม่ไหวไหร่างการ่างกายอ่อนล้าไปอีกใครก็ไม่ได้แล้วอะ่ะคือคอจะไม่มีแรงมากจะเดินก็ไม่มีแรงอะ่ะแต่ใจมันแยกกับร่างกายเลยถ้าเกิดสภาพผู้รู้ก็แยกกับอกจากกับ จิตใจเพื่อมันคือยาเพ่ออมันทํางานอนู่เป็นประจำของมันนะตัวคู้รู้ก็แย่ซืยาอาการจิตที่มันทางานอยู่ตอลอดเวลามันก็ทํางานอยู่ใช้ก็ยังทํางานอยู่เห็นแยก่กันไปหมืดต้องสามอาันสามกองเลยแนี้ทำไงอะมาขับตัวผู้รู้ก็ไม่ได้มาคับอะไรก็ไม่ได้สักอย่างทําไมดีเนะี่ยทางคืนโยมตัวผู้รู้ต้องทานยาแก้แพ้สองเม็ดท่านอยู่ร้อนหลับอย่างนี้ค่ะสองคืนผมกติดใัน่ะตอนนี้เสร็จแล้วนะเมื่อว า, านพอพอพอ พอสภาพพอโยมออกจิตไปตั้งอะไรแบบว่ามันไม่รู้ที่จะพิจารานาแน่ๆครัจิตมันไม่ยอมไปเจรณาจากสิ่งที่มันเคยพิจารณาไปแล้วมันไม่ยอมไปเลยคนะ่ะมันไม่ยอมไปสมมติโยมก็จะอ่ะให้มันแชร่นิ่งอยู่กับพี่สภาพรู้อย่า ง, งนั้นแหละจะไปวางแล้วแหละเออบอกว่ามันไม่ไปไหนแล้วว่าอายุไม่ไปอยู่อะไรเนี้ยก็อยู่ไปก็ไปไปสุดวจะบางคืนโยมก็ทานยาแกะใช้ อ, อื่นจะไม่หลับมันหงุดหงิดเพราะสภาพมันแย่มาก ฉุก็หลับไปเขาตื่นเช้ามาจุดมันนิ่งมันแข็งมันแบบยัไงกับหนตามันแบบว่ามันเหมือนแบบไม่ออกไปรับรู้อะไรเลยพ อ, อ, อไปรับรู้พ อ, อไปรับรู้อะไรข้างนอกเลยแล้วถามว่าสุกไหมก็ไม่สุกมันเป็นเฉยๆทุกไหมไม่ทุกในอะไรเป็นเฉยๆเฮ้ทำไมระนมเงินอ่ะเออทำไมระดมเงินอ่ะ กา <prestigious> mhm. รจะเนื่อมันไม่ไหวจริงมันไม่อะไรมันจะเีน่อยตอนเช้านะหนตารงที่รนารู้สึกไม่แรงไงให้จิตเราม่เหนอหรือว่าเราไม่สบายหรือว่าสมองเราไม่ดีเราจะเลือกสมองอเปว่าให้แต่เราก็ตึ่งกับมาไอมาอ้สมองดีมากคนไรนี่ทำไมถอนยองใส่ฉันเดือสองจุดหายหมนเลยจุดจุดสองจุดแล้วหายไปนานแค่ชุดอหายไม่มองไม่เห็นแล้ว่ย เดินก็เลยว่าเออะเนไปทําเลชันมาแตมจะหาที่เทอลชันราไ่เออแล้วก็บอกโอ้เือสมองธรรมดาคนในี้มันต้องมีจุดกเข่าเป็นไปหมดแล้วแต่ทำไมที่ไม่มีเลเนี่ยอสมองที่ดีมากเลย เ, ลยเนี่ย้อก็ไม่มีนะตอนแชุดเดือแล้วเพราะว่ามั น, มนเกิดติเกิดติด้าเลยเมื่อเม่เเลยนีเองค่ะประมาณไม่เดือนนะคะแ่เอสมองเราก็ยังดีอยู่อะ่ะเพามันเกิดเลยขึ้นทำไมมันเป็นแบบนี้อ สั่งอะไรต้ปคิดอะไรมันก็ไม่ติดคิดสัางอะไรก็ไม่ไปเล่นชมใช้ใช้ชมหรือไงวิญญางเราก็ไเลยลองดูซิว่ามันเป็นอะไรกันแน่ลองพิจานสิ่งที่มันจบที่สุดลดที่สุดสิ่งที่เราชอบที่สุดความสุดที่เราควรจะมีที่สุดความทุกข์ที่เราวรู้มีที่ดูที่จิตมันจะไหวไหมในดจงก็เป็นงานว่าอะถ้าสมมติว่ามีคนเอาหนึ่งแสนล้านบาทประวางต่อหน้าเนี่ย ให้เเฉยเนี่ยจิตมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมือถางจิตจะ็นยังไงมันไม่ไหวซริงหรือจ๊าเออ ม, มันไม่ยินดิษณไม่ไรถ้าได้มาพร้อมจตระแต่เดี๋ยวนั้นเลยแต่ร้านก็ไม่เอาอะไรไม่เอาอ่ะอะไรก็มันเฉยเอ๋อถ้าเกิดว่าเอารถที่สุดล่ะถ้าเกิดอรูดสองคนช่วยเราดูดเนี่ยถ้าเสื่อรถชนตายต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยทำไมให้มันเหมือนรู้รู้รรยเฉยๆไปอย่างนั้นเองอ่ะ ไม่มันไม่ใช่อ่ะอ้าวถ้างั้นเอาลองดูดิอ่ะเอาจิตตัวนี้แหละไปไปพิจารณาดูซิว่ามันมีปัญญาจริงอะไรเงี้ยถ้าจะมาแบบหมดกิเลสสภาพเหมือนหมดกิเลสจริงจ้ะรู้สึว่าไม่เชื่อระวังนี่ไม่เชื่อว่ามันจะหมดกิเลสจริงรู้แค่นี้จะหมดกิเลสได้ไงเดี๋ยวอะไรเงี้ยแต่ถ้าสภาพเป็หมดกิเลสเนี่ยเขาต้องจิตเน่ยต้องคล่องแคล่วว่องไวต้องฉลาดปราดเปรียวไม่ใช่เมื่ออย่างนี้เหมือวก็สอนสอนตัวเองเ่ยสอนจิตตัวเองเงี้ย ไม่ใช่มาพอย่างนี้อ่าเอาลองอาพิจารณาพิจารณาอะไรหน่อยค่ะเอาพิจารณาขันห้าใหม่เดี๋ยวไปพิจรขันห้าใหม่รูปลูคุณถึงรูกปั๊บเขาไมพิจารณาแล้วเขาพิจารณามาหมดแล้วไม่ไม่อลด้วไม่ไครด้าเวทนาฮ่าเวทนานะอ่าก็เวนาแต่เพราะเวทนาก็เกิดท้องกจิตจิตแล้วก็จับท้องก็จิตอ่ะอ่าสัญญาอ่าสัญญาก็เกิดท้อกจิตจับก็จิตอ่ะแข้งขันอาแข้งขันก็เกิดเวลารูกดวงแสงแข้งขันก็เกิดเพราะฉะนั้น ก็จะเห็นสภาวะจิตที่เวลามันเกิดการเปล่งแสงมันเกิดพร้อมกับเวทนาและสองขานสัญญาต่างๆเกิดพร้อมกันในจิยและตัวจิตที่เราจะมองดูจิตตรงๆเราไม่เห็นนอกจากว่ามันจะเกิดตปล่งแงร่วมกับขันสามใช่ไหมโอ้อะเสร็จแล้วชื่อนาชี่อนาทุกที่ว่าจะเกิดตอนไหนความทุกข์มันเกิดตอนไหนมันก็เลยนะพ้ามันเวลาการกระทบโดยการระทจิตมันจะแสงขึ้น แล้วก็ตัวเองเราต้องดูด้วยองดองดู้ช่อ๋ออ๋อามัอะไรนอีอะไรก็ไ้ที่จะนะอะไรก็ตัดสินยังจากพี่เราไม่มีตัวแบบแบบรู้หมดแล้วนะคะคาณาแพี่อายเขรู้ตัดสินทุกที่นาตัดนัแ้นายตั ก็เป็นความหมายสองอย่างือคือเร่อทุกขกระตนนาชุกขระตุ้นนาแต่สิ่งอย่างหนึ่งความหมายของทุกอย่างคือความทนรุนสภาพอยู่ไม่ได้พรอยู่สายของความทุกกระตาะปาจของจิดนยังไงยังไงอ่แล้วเหตุแ่งทุกก็ร่เอเการเกิดการเกิดเกิดนึกนเกิดแล้วมต้องอะไรย่างเนี้ยแล้วต้องเกิดทายาทนาของทาทั้งหมดแล้วมันถึงเกิดอ่าอ ไม่ร like pues ja ื้ผ่านเราไม่รู้เลยผ่านมัดน่ะเราพี่นามัดซิพนามัดซิมัดแต่หน้ามัดหรือแต่หน้าสมาธิจิตก็เลยคือไงหว่าคำว่าสมาธิจิตเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงสมาธิจิตของหลวงหวมังสาที่ยิ่งนะคะแต่ว่ามีเพื่อนั้นมีเชื่อมเชื่อนี่เชื่อัจนจ่มีเพิ่อนทีอความเชื่อท้กอย่างนี่ทว่ การทสมมติเชื่อเปนธรรมดามีจริงเชื่อที่ทศาสนาแ้เชื่อล้วนเชื่ออนมันเป็นความเชื่อแบบวนเหลือมถ้าหการที่การเกิดดับของตายเ้วจิตแล้วความเชื่อตรงนี้มันเหลือมมือนตาพอสุดท้ายเราลอมก็เลยเห็นว่าผถ้สมัคที่เิดมาเขาต้องเกิดจากือความเชื่อว่างจักสิ่นในโลกนี้มีเกิดดับทั้งทุกเรื่องกอย่างทั้งกายทั้ใจเราและจักสิ่นในโลกนี้ แม่แต่ตัวรู้ทุกอย่างมันนี่หรืออะไรเลยมันเกิดจากมันทุกอย่างเลยนี่เป็นเป็นศับดินธุ์ุจเจ้าจริงเมื่อเราจะเชื่ออย่างมั่นคงเชื่อในคํามสมบูรณ์เจ้าจริเชื่ อ, อ, อมันเป็นจงิงเออเหมือนมาตัองเกิดจากสมาธิสิเกิดจากตรงนี้ก่อ น, นถึงจะสมาธิจริงสมาธิแบบแม่นแฟนแบบไม่หลงไม่ลืมเลยแล้วจําอยู่ในตัวในในอะไรตัวเองด้านทั้งหมดเลยมันต้องเกิดจากการปฏิบัติแบบนี้ก่อนสมาธิจริงจะไม่หลงจริงจะมั่นคงในในภาชนะหจจริงสุดแล้วอันนี้ความเชื่อแบบนี้ แล้วในเชื่อในคาสอนพูเจ้าจริงไหจริงเพราะว่ารู้สึกว่าคุณผู้เจ้านี่ยิ่งใหญ่มากแต่ที่โยมได้ปฏิบัติมาและคนที่เกิดขึ้นนะท่านเจ้ายิ่งใหญ่มากโอ้โหศรัทามากากรเยมพระเจ้าและคสอนพเจ้าก็ยิ่งใหญ่มากท่านถ้าไม่มีผูเจ้าก็มีคำสอนถ้าไม่มีคำสอนเราก็จะไม่รู้อคุณสอนคอนขุสอนเอกันยุทิงเทีสอนเจ้าต้องไล ถ้าไม่มีคุณพระอริยสงฆ์เจ้าทงหลายที่มาปฏิบัติแล้วเห็นทางทเจ้าสอนอ่าแล้วก็สมเด็จพรหัตถ์หมดกิเลกกันเป็นแถวเนี่ยจับคําสอนพระเจ้าแล้วเอามาปฏิบัติถ้าเราสอหลังนี่ไม่มีเราจะเชื่อได้ไงว่าคาสอนพระเจ้าเป็นจริงเพราะฉะนั้นกับเพื่สงฆ์ต่างๆเราเนี่ยถึงมีคุณเนี่ยมีคุณเราจะงเรื่องมีความเชื่อมีความเชื่อก็ว่าเราได้ปฏิบัติถูกแล้วจริงๆเห็นอย่างที่ท่านเห็นจริงแล้วก็ซาตุสัตว์แบบอย่างกับจิตจับใจเลย่ะ คุณของบิดามารดาจริงไหมตอนนี้ก็มาพิจารณาคุณของบิดามารดาเลจริงไหมโอ้โหภาพบิดามารดาถ้าบิดามาร ด, ด, ดาคู่นี้สองคนนี้ไม่ทําให้เราเกิดมาเราจะไม่เจอคุณผู้เสด็จอย่างนี้เลยเราไม่เจอผู้พระเจ้าคำสอนพระเจ้าและเจตจำนงเจ้าทั้งหลายจะไม่เจอครูบาอาจารย์ทั้งหลายแม้ แ, มแต่กระทั่งหลงตาเรื่องอะไรดวงใจสุดนี้และทุเรื่อ ง, อ ง, ใใง ข, ของเรื่องธรถมมากตอนี้ แล้วโยก็รู้ถึงระดับว่าเราเกิดมาในสองสัรวัรนี้ทั้งหมดไม่เป็ความคิดของโยมนะคะในกาลังกําหนดสมาธิคิดอยู่กี่ตรงกลางนเราเกิดมาในสองสัรวรรดิไมทั้งหมดันทั้งดีทั้งชั่วตั้งแต่ชาติที่หนึ่งมาต้นๆมาจานเป็นควานี้ยาวไกลนานเหลือเกินมันส่งผลให้เราได้มาเกิด พอดีกับพ่อแม่ที่เป็นลักษณะแบบนี้มิสไซแบบนี้ความเป็นอยู่แบบนี้อย่างนี้อย่างี้อย่างนี้ซึ่งหาได้ยากมากเลยเลิ่องนี้ลองเอ่ยว่าพ่อแม่สองคนนี้เป็นพอดีกับกรรมที่เราได้ทํามาจริงจรเราถึงได้มาเกิดกับท่านท่าไม่มีท่านั้งสองที่รองรับกรรมที่เราได้ทําเอาไว้ในอดีตพอดีกับกรรมที่เราได้ทำไว้ในอดีตเราจะไม่มีโอกาสได้เกิดมาเลยในชาตินี้เราจะไม่ไม่มีโอกาสได้เกิดเกิและเจอ เพราะพูดคำสอนพระเจ้าเลยในชาตนี้ไม่หยุกดการไม่เจอพระทรรแล ะ, และปฏิบัตการต่างๆทั้งหลายที่ทำใหเ้เราได้รู้ได้เห็นแนี mm hmm. ้เพราะฉะนั้นพ่อแม่สองคนเจอประเสริฐว่ากจรงเราจเจอเอกภูมิของพ่อแม่เรามากที่ข่านเลยบุญคดีกระเป๋าเปิดอดมิเศษมากคุณพ่อคุณแม่เอยิ่งที่สุดทือตรงนี้ไม่ใช่ว่าอะไรพ่อพ่อเราเกิดมาแล้วพ่อแม่ก็ยัง วิญญาณดูเรามาอบลมเราให้เราเป็นคนดีให้ความรู้ทั้งทางโลกให้เราได้มีของชาติมหาจิตให้เราไม่เดือดร้อนทางกายและทางใจเป็นบางส่วนให้เมื่อเราไม่หมดเดือดร้อนทางกายแนละ้วเรามีโอกาสเล่นในช่วงพุทธศาสนาเราได้วางภารกิจทางร่างกายทางโลดได้จากความรู้ที่เราได้จากพ่อจากแน่เราแล้วเราจะมาหาจินไตแบบนี้พ่อแน่เมีอุดมคติมา ที่เกิดคนช้นียแล้วเราก็เกิดมาของเราคนเดียวมาคนเดียวแล้วเราก็ไปคนเดียวบางเอิญว่าพี่น้องพี่เรายุดเอาเป็นพี่เป็นน้องนีะเขาก็เกิดมาแบบรมแบบเรานี่แหละแต่เขาเกิดพี่เขาก็เกิดมาก่อนสภาพรมเหมือนกันนี่แหละต้องมาเจอพ่อแม่ที่เป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันกับเราด้วยน้องเดียวไม่มีน้องเดี๋เป็นคนน้องคนสุดท้องะแต่เราก็มายึดเอาเพ่อเราเกิดแล้วก็เราก็มายึดเราขอบุญที่แล้วก็รักเ้าว่าขอบุญที่ แต่ความจริงต่างคนต่างก็เกิดมาด้วยวิบากของตัวเองพฤติกรรมของตัวเองแต่เขาอ่ะเป็นเหตุให้เราได้สร้างบุญสร้างกุศลผู้เจ้าสอนว่าสงเคราะห์ญาติเป็นมงคลอย่างยิ่งพ่อแม่ก็เป็นผู้ที่เราต้งองเคารพเคัญอ่ะตอบแทนบุญคุณอย่างสูงส่งิ์ผเจ้าถึงได้บอกว่าสืบเสิ่อมปราดของลูกพ่อแม่มีิสุทมากถ้าพ่อแม่ส่งคนนี้ไม่ได้ม า, มาเกิดลองรับบุ่มขอ ง, อ ง, อ ง, อ ง, องเราเราก็จะเป็นอะไรอยู่ก็ไม่รู้เราไม่อยู่การได้เกิด เพราะว่ามันไม่มีใครที่ไม่บนพอดีกับคําที่เราได้ทำเอาไว้ยมก็เลยเข้าใจตรงนี้ว่าคุณของบิดามันดามจริงแล้วอดีตชาติล่ะอนาจะชาติล่ะมีจริงจริงไหมดูสิสั่งทิพสั่งผู้รู้อะไรก็ไม่รู้ให้เออให้ดูตามดูก็เลยรู้ว่าในเมื่อปัจจุบันนี้เรามองเห็นแล้วว่าแต่ละคนเนี้ยเกิดมาสถานะไม่เหมือนกันกับอย่างไรแต่ตั้งกายรู้ใจ สถะการเงินสถาะร่างกายสถานะความรู้ชนะสถานจิตใจเรื่องคามไม่เท่ากันเลยแสดงว่ากรรมทำมาไม่เท่ากันก็กรรมมันไม่เท่ากันเราก็ต้องเชื่อว่าอดีตชาติมันมีจริงเราทำกรรมมาตั้งแต่อดีตชาติมันมีจริงเมื่ออดีตชาติมีตัวปัจจุบันมีแต่เราเพื่อชาติของอดีตชาติฉะนั้นปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตของชาตินี้ก็ต้องมีจริงนั่นคืออดีตชาติหรือเแล่าอนาคตมีจริงเชื่อแล้ว คนขงบคนตอนนี้นคนก็กกกว่าแต่ละนเกิดมาไม่กกเท่ากันก็เลยมีความเชื่อเชื่อแบบสมารถจิแตนนนแบบเหต่ผลกันนี่หรือเปล่าก็เลยเห็นว่าสมารถจิตแหละมันเป็นแบบนี้ด้อไปละเก็สั่งตส่เอเจาผหลดราะ <c oughs> <c oughs> ว่าไอ้ไอ้ตัวที่ว่าที่ว่ามันแข็งแข็งนะี่แหละมันเป็นอะไรกันแน่นี่แหละจิตอะไรกันแน่ที่มันแข็งแบบนี้อันนี้เขาก็ไหวตัวพิจารณานหมดเหรืเอ่อันที่สองสมารถก็ปากละ มาสองสภาดําเบ็ดออกจากตามอ่ะเพราเมื่อรู้ความรู้ที่เกิดจากการฟงังเพราะความรู้ที่เกิดจากการฟังมันก็เป็นสื่อตอบมาแล้ปัญญาก็เป็นปัญญาเหมือนกันแล้วเราก็นําออกไปคิดพิจารณาอ่าเกิดตามมาแล้วปัญญาภาวนาแบบไม่เกิดเพราะว่าการการสภาวะที่ตอนแรกกับสภาวะที่ที่ยังไม่ได้ ด, ดําเหลืออกจากตามเนี้ยมันไม่เกิดแต่มันเราเกิดตอนปฏิบัติแล้วแล้วก็แล้วก็ดินจที่ฟองด้วยว่า การเกิดมาเป็นมนุษย์แสนยาขนาด น, นั้นขนาด น, นี้อการลงอบายลัแสนยากขนาดแสนแ่ายขนาด น, นั้นขนาด น, นี้แล้วการที่จะขึ้นออกจากอบายมันต้องแสนยากเพราะว่าอะไรติดมละเอียดลึกซึ้งมากเลยลุงตาเพราะว่าเพราะว่าการเกิดของสรรพสิ่ในชีวิตนั้นมันสองคาญที่จุดสุดท้ายที่มันจะปรากฏเข้ามาจุดจิตที่ปรากฏก่อนรี่จะมีการเกิดสิ่งมีงชีวิต ที่ลงละบายนั่นแหละจิตเขาจะโหยหวนทรมานมากอยู่ตลอดเวลาทรมานด้วยหน้าของกำอยู่ตลอดเวลาเรื่อะไรอะไรต่างๆที่ทรมานอยู่ในนรกนนั่นแหละจิตเขาก็จะเล่าร้อนถลนถลายโกรธเกี้ยวตลอดชีวิตของเขาจิตกุศลจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเขาตายแต่ก็ต้องตายไ ป, ไ ป, ปดัวความเกรียดเลือดความอกุศลต่างๆที่รุนแรงมากเขาตายจากฉันนรกเขาก็ต้องเปเจอฉันนรกอีก เมื่อหลายจิกุศลที่จะเกิดยากมากตรงนี้ยากมากมันจะเกิดตอนไหนต้นสารนรกมันจะเกิดจิตกุศลหรือมันเคยทามามันยากมากเพราะสารนรกแต่ละชาติอะไร้ามันยาวนานเป็นกลับกับบอย่างเงี้ยเพราั้ิตกุศลอกุศลงมันน่ะจะตอเื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อมันจะปายอย่างเง้ยแล้วมันก็จะลืมกุศลของมันไปแล้วอ่ะแล้วมันก็ต้องเกิดเกิดเป็นอบายอีกอย่างเงี้ยความสัตควาสั์า แล้าเมื hmm. ่อไหร่จะได้ขึ ouais. ้นมาโอ้โมันยาวนานมากเลยเจ้าถึงได้บอกว่ามันยาวนานมากอืมเฟ็เจ้เหมือนกันเดิมก็เป็นลาเตอร์อ๋อมันเหนือยโอ้ยมันทรมานมันเหนืยอะไรต่างๆเนี่ยจิตมันก็ต้องเศร้ามองตลอดเวลาเพระนมันก็ต้งใส่ด้วยความเศร้ามองมันก็ต้องขึ้นมาลำบากขึ้นมาเป็นมนุษย์ลำบากแบบที่เองสันเดียชายก็เหมือนกันมันเกิดมาแล้วมันก็ต้องมาหากินอมาหากินมาป่วยภัยอะไรต่างๆเนี่ยเศร้ามองตลอด ไม่มีจุดประสงค์เลยนอกจากสัตว์นานาจะอยู่จะมีชวมโชคดีเพื่อมอเกเป็นสัตว์แล้วนคุณสมบัติทำานแลให้โภคในชาติเล่นพอดีชาติที่เป็นสัตมองก็ได้เป็นเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านที่ก็าเลีงดูดีจิตมันก็อาจจะไม่เป็นอับวางมากแต่ว่ามันก็จะไม่รู้จักทำบุญทำทานเลยนะแต่โอกาสที่จะเป็นเป็นงขึ้ไปอีกมันก็อาจจะมีบ้างเดี๋ยวปมดอย่างนี้นะหลวงตาไม่รู้จะคิดอย่างไรหรือ่าที่สร็จแล้วเนี่ยมลวก็เลยสงสารสงสารคนที่จะไปเปิด ในบบรโรคระบาดหรือเติมขอสารพิเศษพิเศษรบายเรือเตมมันมันเป็นแบบนี้จิตทั่วไปที่ไม่รู้เกิดดับเนี่ยไปอ บ, บายแง่แง่โยงคิดอย่างนี้เลยนะหลวงตาไปอ บ, บายแง่แง่แล้วโอ้ทํายังไงดีเนี่ยน่าสงสาออรเลยไงตอนนี้เสร็จแล้วก็เอ๋อพี่นาไปตอนนี้ก็เลยดําเนินออกจากกาเมืองเลยเกิดขึ้นตรงนี้ของจามันไม่อยากจะไปอะไรแล้วนะ่ะ เนี่ยมันต้องเกิดตุกฉาดกันแบบนี้ที่ที่อยู่ที่ที่ชี่จิตเขาไปเชื่อพิจราในในความนั้นนะฮะอ๋อมเกิดกการแต่แล้วสมมาสมมาสมมาวาจามพอมนรู้ทุกอย่างแล้ววาจาที่นำพิงอภิโมันไม่เกิดขึ้นเลยโดยอัตโนมัติเลยค่ะสมาตมันเป็นอัตโนมัติจริงๆผมบอกว่าสมาติจิตที่มันถูกอบรมแล้วมันอัตโนมัติจริงๆนมีเรื่องเกียกบอัตโนมัติจิเลยโมันมันไม่ไฟเลยมันไม่อะไรเลยอย่าง วาจาจะเป็นประโยชน์เท่านั้นของที่ไม่เป็นประโยชน์มันไม่พูดไม่สื่ไม่อะไรเลยค่ะไม่เหมือนตอนที่เรายังไม่เอ่ยมาอบลมจิตแบบนี้เลยไม่ปฏิบัติกันนี้เลยธรรมวาจาเกิดเกิดธรรมอาชีวะมันเกิดอยู่แล้วในสาะที่ปฏิบัติธรรมอาชีวะมันก็เกิดดูให้เก็บชอบธรรมอาะก็เกิดธรรมาวายามะพยายามชอบเมื่อเรารู้ เห็นสภาพที่เราเดินมาแบบนี้แล้วเราก็พยายามตอเพราะว่ามันไม่จิตมันไม่ไปไหนแล้วมันด้อยู่แต่ใจแต่ใจไม่ใจไม่ไปแล้วทำไมจะใจอย่างดียอพยายามชอบพยายามชอบมันก็พยายามเรียนรู้เรียนอะไรต่ออะไรขุดอยู่แต่ตรงนี้ขุดอยู่แต่อัตตาเรวจิตอยู่แต่ความเป็นไปที่จิต ไ, ไหวอะไรต่ออะไรต่างๆอยู่ตรงเนี้ยพยายามชอบอสมาสำมากรรมศาสตร์การา ง, งานชอบก็การ ง, งานก็การงานดูจิตดุใจนี่แหละ ก็ใช่อ่อแล้วอะไรล่ะสมาสติสมมาสติอสติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอ๋อมีเขาเรียกว่าสมมาสติสัมมาสติคือสัมมาสติสติที่จะเกิดในขณะที่ปฏิบัติแค่นี้เองที่เรียกว่าสมาสติไม่ใช่สติที่ใช้ในการทำอาหารกินนี่ไม่ใช่สมาสติเลยสติสัมมาสติต้องเป็นแบบนี้อ่สัมมาสมาธิอ๋อเนี่ยสัมมาสมาธิที่เกิดเพราะมันต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องที่นานได้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนอย่าง เพื่อสมาธิป like ัญญาเกิดปัญญาเกิดเพราะว่าเห็นแล้วสิ่งทุกอางสรรพจริงยึดไม่ได้เลยจริงแม้แต่ใจเราจิตใจของเราเพราะว่าคอามจิตสิตทุอย่างเหมือนรู้ก็รู้เขายึดไม่ได้สัรสจริงเนาะเขายึดไม่ได้สักอย่างนัเป็นของเราเลยดำเนินไปตามธรรมชาติอยู่ตุกอย่างเราเองแต่ว่าเราไปยึดไว้เท่านั้นเองว่าของนั้นนั้นเป็นของเราของเราข้าของสรรพจริงทุกอย่างเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นซึ่งเขาก็ไม่มหนียวตัวตนเขากำลังทับดูเองไม่ได้ แล้วเราไปเลือดอยเพราะเราจางไปซื้อเระกันของเราอ่จริงๆเาไม่ได้เป็นของเร า, เ, เ, ราเลยเราตายไปเขาก็อยู่ตรงนั้นอะไรต่งๆทุกอย่างเลยเข้าใจเข้าใจเนอทุกสิ่ง ท, ทุกอย่างนั้นมันหมดสงสัยตอนน้านลองรีพิการอะไรต่อไปอเอ่อเส็จแล้วเปเปิดีนะคะ่าเปอ มักระอยู่เสมอาทตย์เกิหมดแล้วนะคะแบบนี้นะมักตรงนี้โไปคิดว่ามักตรงนี้มันต้องเกิดตอนหลังจากที่เราดูใจดูใจจนไม่มีจนซึ่งสงสัยไม่มีอะไรกจะดนแล้วมักตรงนี้ถึงจะเกิดนะมักคือพวกนว่าถ้ามากินแล้วกำลังที่ารณามักปฏิบัติไม่มีองศาหรือเนี่ยเดี๋ยวมักมันไม่ใช่แต่มันอาจจะเป็นมักทางโลกเองค่ะแต่มักเพื่อเจ้าสอนเนี่ย พ่อชอบปรารถนาที่ให้เราเป็นไงให้เรารู้ปุ้ย่ยคือมั่อย่างนี้ไม่ใช่มั่อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลงตาแล้วมันรู้อย่างเงี้ยหลงตาไงนะตอนนี้ยงก็เลยที่นามัส่สุดที่ร้อยอ่ะที่ออาชีวอระไรต่อไปเลยทีนี้อ่ะผลทางแห่งการก็วยชวยสติปัญสี่สติปัญสี่ดูอะไรบ้างอ่ะกายเวทนาจิตธรรมดูกายอ เราไกลดูเป็นหมดแล้วชื่อสงสัยจิตมันไม่ยอมไปดูเพราะว่ามันดูหมดแล้วมันเหมือนมันขี้เกียจแล้วอย่างเงี้ยฮันนิงตาอ่าเวทนาล่ะเวทนาก็ดูพร้อมหมดเจ็บแล้วไงอะไรอย่างเง้ยคือรู้แล้วกัวจับแจิตและเอาจิตก็ดูแล้วไงกันมาของจิตตั้งแต่น้นตั้งแต่นี้ก็ดูหมดแล้วไงทํามาล่ะอ่าเลยกลายเป็นว่าเราเหมือนกับสติปแล้สร็จที่เราปฏิบัติอย่างนี้มันเป็นทำมาจ้าเพราะมันเห็นพร้อมกันหมดเวลาอะไรก็มันเกิดเป็นเกิดจากให้เราเห็นมันก็เห็นดังนั้น เวลาล่างกายเราป่วยเราไม่แล้วเหนื่อยเราไม่มีแรงเราไม่มีแรงเลยจะเดินก็ไม่มีแรงอ่ะมันก็เห็นกายเวลาจิตมันหลอยจริงก็เห็นจิตเห็นไปเห็นมาเห็นไปเห็นมาอยู่ตรงนั้นน่ะค่ะหลวงตาเห็นความคิดกันเห็นไปเห็นมาเดี๋ยวขับไเห็นกายเดี๋ยวขัไปเห็นอันนั้นอันนี้อยู่ตงนนเลยเเป็นธรรมมาโอ้ธรรมมาลูกพ่อชาติจะสืบทอดมาเสียงนี้เองเลยเข้าใจจังแจ้งในสรบทอดสี่แต่ละฤดูอะไรบ้างฤูอะไรอ่ะ คือคือคือที่ผ่านมาโยมไม่ได้เรียนอะไรรักแบบลึกซึ้งเลยนะคะสมจามันมามันท่องช่องแต่มันไม่ลึกซึ้งไมปฏิบัติถึงตรงนี้มันลึกซึ้งมันกลับไปที่นาองค์ทำต่างๆมันลึกซึ้งทีนี้ก็เลยอะดนะูอะไรว่ะไปดูไปดูโคดชงดิอือโคดชงแหละที่ที่ที่พรื่องที่ที่นี้ที่เรียนมาเขาพูดโคดชงโคดชงมันคืออะไรอ่ะทีนี้โยมก็ไปกด ดูทูตูว่าโดชงมันมีอะไรบ้างนะะแต่โก็ชงมันอะไรบ้างเราจะพิจารณาโคดชงเจออะไรบ้างโวดชงเจ็บอ๋อจะเป็นปอรบอกกันนะสติสัมโคดชงธรรมะาแล์ความโคดชงาสติสัมโคดชงอ่าพัฒามเคดชงแล้วก็อะไรนะสติสัมโคดชงนะสติสามโคดชง ปฏิบัติรรเพื่อชสมาธิธรรพอชงบสรมพ่ชงอุเบกขาอุเบกขารรพชอชอุเบกขารวมก็เลยคือค่ะอุเบกขามน่อุเบกขาธรรมเพอชงแล้วอีกอีกการนึงอะไรไม่รู้ยอมรัได้แค่เหตุธรรพืชทีนี้รก็มาพาสภาจิตที่ผ่านมาดูช่อยุสติธรรมเพื่อชงสมาธิเนี่ยสมาธิรรพชะอ สต <st> ิผ่านแล้วเห็นแล้วรู้แล้ว <st> ที่เราสำนึสมนึกสติเอนแล้วต่อไปก็คือทำมาแล้วก็จงก็วิจัยวิจัยกายวิจัยจิตวิจัยยังไม่มีอะไรสัตว์ใส่แล้วก็วิจัยกายวิสัยจิตแล้วต่อไปเป็นอะไิติอ๋อมันก็สงสติจริงๆอ่ะก็ราะมันคุณได้รู้ความจริงเป็นอย่างนี้แต่สติมันไม่หู้หวาเหมันดีใจทางโลกสมัยที่เรายังไม่ปฏิบัติเป็นตัวอย่างกันนะสติอันนี้โอสติตแล้วก็ความสุขเกิด ความสุขเกิดจริงจริงนะแต่มันไม่ใช่ความสฉลหรววิวะมันเป็นความสุขต้อไม่ถูอะความสุขเกิดเพอาความสุขเป็นสมาชิเปิดต้องสมาชิเกิดจริงจริงสมาชิอยูก่กับกายกับใจงัน้นเกิดจริงจริงเดต่อเนื่องจริงจริงคือเบกขาสัมปชัญญะเบคคาสัมปชัญญะนี่มันใช่อีกตรงที่ว่าเราไม่รู้จะดูอะไรแล้วก็เลยก็เลยปล่อยให้มันเฉยเฉยอยู่อย่างนั้นแบบมันรู่ลู อยู่ในชีงั้นหรือเปล่านเขาบอกว่าหลวงจา ก, ก็ไม่ว่าเให้เราถามาเล ย, เลยลโยงกัอยู่มันอย่างนั้นนะฮะอยู่มันอย่างนั้นเอาคื อ, าอะไรต่อไป อ, ะอ่ะเคยถามหลวงปู่เหรียญตรงเนี้ยหลวงปู่เหรียญตอนที่เราเข้าไปหาท่านเห็นว่าท่านรูอาหารหันต์แล้วบอกว่าหลวงปู่มีอะไรเป็นี่หารธรมอุเบกขาเอออุเบกขารับรับรู้ทุกอย่างได้แกเป็นรับรู้ทุกอย่างได้แก่เป็นกลางเมันเป็น มันเองที่มนเป็นกางเพราะว่าเรารู้ว่าทุกอย่างมันยดไม่ได้กันใช่หครเ น, น, น, นี่ถูกต้องแล้วก็ไม่เข้าไปอะไรใช่ฮะนี่ น, นี่ยเป็นวิหารธมเป็นวิหารธรรมของพระอรหันเนี่เราไปถามท่านเองกูเรียนอ๋อสาธุสาธุสาธุสาธุาาาาเลยค่ะพี่เมย์เมย์ก็ขึ้นอะไรต่อไปเหมฮนะอ่าทีนี้พ อ, อตรงนั้นแล้วพอพี่นาสัญญุตเราลสัญญุตเลยได้บ้างก็ไปเปิดดูอีสัญญุตมันมีสิบอย่างข้อที่หนึ่งสัญญุตั้นที่หน จะประหยัดทุกทีฮเพราะรู้กายรู้ใจรู้สติชัดเจนแล้วะหยัดกที่าจะรักัวไม่กล้าพูดตัวเป็นกเป็นอดร้อหรือทําอน่าจะใช่นะะแต่แล้วเอบใจอะขอทุสองที่พ่อม่ตัวใจไมคําส่งใช่ไหมก็สองปิดาก็ไม่รำเลี้ยะ เป็เจ้าสอนมันมันก็ดูแทนนี้ไม่ใช่เหรอที่มันจะหมดที่เหลได้แต่ว่าเราดูไปเรื่อยๆืควาๆสัญญปามันเกิดไปเรื่อยๆเรื่อยมาจนเราเชื่อแล้วอืมมันมันมันน่จะใช่ไอมเราเชื่อแล้วนะเาเชื่อเรื่งเจ้ามากเลยครับเอออีกอันเลยอ่าที่ระดับพระมาร์พระตับระว่าเราไม่ก็เห็นชัดนะเห็นชัดว่าที่ฟังเชื่อช่วเราไปเชื่อ เราไม่ได้เชื่อแล้วเราเชื่อเราเชื่อแค่นี้เราเชื่อการปฏิบัติให้เห็นจริงอย่างนี้แล้มันเกิดเองฮานุตาถ้าแต่ว่าไหายเที่ยวไหมก็เคารพเทวดาแบบที่ยนไปพูดนั่นแหละก็ยังมีความเคารพอยู่เพราะว่าเรายังส่งงสมบุญอยู่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราไปถึงตรงนี้มันไปไหนได้ไหนแต่มันวางอะไรได้หลายอย่างก็เมตตาทุกคนทุกสกรรพสิ่งที่เกิดยิ่งว่าจะเกิดที่ยังไม่หลุดพ้นที่จะไปอบายเนี่ยสงสารเวิทยา ม, มากเลยแบบเนี้ยเออ แล้วข้อที่สี่ล่ะข้อที่สีการมาลาคะนี่การมาลาค่ะนี่เราเรายป็นไงวะพานธนาะฮะพันธนกมาลาชอืมอยากไหมสมัยก่อนล้าคือยนและเป็นคนชอบความสวยงามความเรียบร้อยความมีระเบียบมากจัดบานจาดช่องจัดลายสวยงามมีระเบียบจะเป็นคนมีระเบียบมากเราชอบไหมอืมคงจะเป็นความชอบอยู่แบบเบาบางเบาบางหรือซ่า มันไม่เจอัาะที่เราไปชนกับเขาจริงจริง่เหมือนตอนาได้เจติจารนาทีนี้ใจมันก็ค่อยๆเลิกกันฉันก็จะคจะต้องทาแค่เร้่ที่มันจําป็นนะแบบนี้แต่ว่าถ้าจำเป็นาทเพราะเราอยู่ทางลกอยู่เรายังต้องทางานอยู่กับลูกน้องเรายังต้องมีคนนีคนนี้ที่เขาจะต้องเกรงใจเราต้องอะไรเราู่นะเราจะไปปล่อยราไม่ได้แต่ถ้าเราหยุดป่าน่ะแล้วป่านเราก็ไม่เอาอะไรแล้วนยี่าตัวเองจนเรื่อยอย่างนี้เนาะอือ แต่ถ้าหากว่าความสองห้าห้าหากว่าทำไปแล้วทูกแล้วไม่เอาทำไปแล้วรู้สึกว่ามันชื้นมืดออเอาเพราะว่าถ้าเกิดแล้เทำไปแล้วมม่หยุดเดือตัวเองแมีชะตาไม่หยุดเดือดผอื่นไม่มีเดือใครเลยบางคก็ต้องทาอยู่เพาเหดไปยอนนี่ไอย่างนี้ก็เลือกกรละได้หรือเปล่านะโมงงแต่จะยิงยังให้คำตอบไปได้ต้องถามลนตา สิ่งข้อมันก็คือว่าปฏิชาใช่ไหมค่ะเหมือนตาปฏิชาความลำพานใจกลุ่มข้อความลำพานใจในใจเนี่ยหลือตาในขณะที่ปฏิบัติมันไม่มีมันนิ่งมันไม่มีเอ๊ะมันหายไปหรือเปล่ามันเหมือนจะหายแต่ปรากฏว่าเมื่อเช้าอไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อเช้าวันนี้ค่ะหลจากที่โยมพิจารณาอะไรเรียบร้อยแล้วยมก็ไม่มีซีมงสัยมันแล้วยมก็กลับมาอยู่ออมาอยู่กับลูกเพื่อนองปกติปกติแรงมากระชงอย่างลูกเพื่อน้อ ออากม า, ต, านนะตอนเช้าวันนีตอนเช้าเมื่อวานนี้ทีนี้ปรากฏว่าโย ม, มาอ่านเจอโยไปเปิดเจอธรรมะที่ที่ห้งองคูบาครูาบาวิ ช, ชารนะ์มั้คะที่ท่านลงมาแล้วตรงนั้นก็กดเจอใช่ไหมกดเจอทีนี้พอดีว่าเจอสภาวะอะไรต่างๆเนะี่ยอุ๊ยเฮ้ย คล้ายๆของเราเลยว่ามออันอะไรแบบนี้นะนตา <S <S <S โอ้ยเราเนเรืว่าเราพอดก็เลแล้วไหนถ้ามันจะไม่หมดกินเลสเรแบบนี้อะไรแบบนี้นะฮะตาอันี้ฉันว่นาอันนี้ก็มาเจออ่นนึ่งบอกว่าหลวงู่ดูลึกว่าแลวงู่กเลระวัติของท่านก็ยังมีอยู่ก็ยังมีแสว่าท่านท่านไม่เอาท่านไม่เอาแล้วมันก็หายไปมันเหมือนกับสอน โยมมีจเลยโยมโยออกมาจากข้างนอกมามาให้อาหารแมวที่เป็นแมวจอนจกัดนานตากระชุบอาหารบัตรใช้สาหรับแมวจอนจัดแล้วก็เทอาหารแมวแันนี้พอเทอาหารแมวแมวน่ะบางทีมันไปลื้อขยะโยมล้มอ่ะเพราะแค่มันยังมึมันไม่หิวแล้วยมยังไม่ออกมาไงฮะมันก็มาลื้ขยะโยมล้มโยมก็เลยเทคนิดนึงอ่ะบางทีข้ามันเกิดอ่ะเออมันยังมีอยู่เนี่ยแต่ว่าบางทีข้ามันเกิด แม่นึกถึงคำพูดของหลวงปู่เออท่านดลวอไมค่ะระพ่อไม่่อกอามันอ่อนมากนะหลวงตามันอ่อนมากมันอ่อนกำลังมากเลยท่นนึกตอนน้นท่านทไมเงินใเออมันก็ค่อยอ่อนกำลันแล้วพอเห็นแมวหน้าเออหน้าส่สามแมวหน้าส่วนสามไรมาิตืนแล้วก็มาแทนที่สฏิฆาแล้วก็หายไปพอดีว่าลูกก็มาพูดนู่พูดนี่สนุกสนาน ขายได้หมดเลยตรงนี้ก็ขำกับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่หะหนุงตาได้บอกถ้าลู ก, ถ, ลกถ้าลูกไม่มาให้ขำนะหรือแมวไม่มาอะไรั้นนเราจะดูมันสายของมันว่ามันผ่อนกาลงกังอ่อนกำลังมาแล้วให้มันดันกตอนน่าตาแล้วเลยจะได้ชะโรล่าอะไรแบบนี้ยอมรับแบบชโรล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหตาตนี้พิจารณาแล้วหลายอย่างตอนนี้จงก็มาอยู่กับสภาวะปกติทุกอย่างทุกอย่างที่เคย ทำงานทําอะไรทุกอย่างที่เป็นอยู่แล้วก็พิจารณาว่าว่าจิตก็เป็นยังไงอะไรที่มันละได้บ้างอะไรอะไรต่งางเนี่ยมั้งจาส่วนที่มันละได้อย่างชัดเจนที่โยมเห็นนะคะสารคดีที่มันไม่ใช่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอะไรอี ก, ก อ, ย อ, ยอย่างจ้าก็อย่าว่าโยมมันนี่นะจะให้ส อ, อยู่เป็นบาปนะนความรู้สึกของโยมตอนนี้นะคะก็คือว่าความพยายามไม่มีนะคะละได้ <c oughs> แล้วก็อภิชาไม่มีความยละได้ของคนอื่นเป็นของหลไม่มี ฝาได้ง่ายมากหรือเพราะยเป็นคนฝาง่ายมันมีตมาใจเดิมของโยมหรือแล้วละเรื่องนี้อันนี้อันนี้เพราะตรงเนี้ยโยมว่ามันไม่น่าจะมีพนุษะนะพนุษะโทรศาเง์นแร่เพื่อุะอะไรต่างๆเนี่ยโยมว่ามันไม่่าจะมีนยเดี๋ยวคิดก่อนนะมันอาจจะมีความลำคานใจหรือแรงความแบบอะไรนิดหน่อยมาปริจารณาได้ใทันทีเหมือนเหมือนกับจิตเวมันมันมันปรากฏขึ้นปัก งนั้นแบบโพรชินท็เนี่ยเหมือนจิตอีกก่อนที่มันมีปัญญามันเข้าไปประกอบเลยดวงตาเป็นงานทางการเกษตรเป็นงานเรื่องความสนใจเหมือนมันเข้าไปประกอบเลยแบบบางบางครั้งเนี่ยบางครั้งมันมันมันแบบว่าเหมือนกับเหมือนกับมันรู้อยู่ในทีแล้วก็อ๋อสภาวะอะไรเมื่อเกิดขึ้นในจิตมันจะเป็นงนี้หรอมันจะเป็นอัตโนมัติอยเางนี้หรือหรือว่าเรายังไม่เจอสภาวะที่มันรูนแรงให้เราเห็นนะ เราคิดอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราคิดสิ่งที่เราไม่ชอบพี่พี่ที่ก็าโกหกอย่างงันนี้ที่เราเสียใจน้อยใจเมื่อแต่ก่อนมันก็ไม่รอดจบอย่างเก่าจังต่ะมันเหมือนห่างออกไปอ่ะมันเหมือนห่าออกไปมันไม่ตกแต่งไม่อะไรเมื่อแต่ก่อนแต่ก่อนก็ตงแต่งน้อยใจเราทํามาเขาอย่างนี้เราให้ก็อย่างนี้ทําไมก็อย่างนี้กับเรานอะคําเก่าเรามีเนอะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยตอนนี้ไม่มีเลยไม่ไม่ไม่ตกแต่งต่อเลยจังจ่ะเราลืมว่าได้หรอชาปอียิปต์วย ตอนท si ี่จ uh ิตท no no no ok, <pe> ี like <Yeah. S 1> ่ย so ังไม่ได like ้พิจารณาต่างๆเนี่ยมันไม่ไหวสิ่งมันไม่เปล่งแสงอะไรมันอยู่เฉยๆชมหรือเราตาไม่ชมมันเฉมปัญญามันไม่เกิดเพิ่มขึ้นมันเฉมอะไรนะแ้เลยบอกว่าเฮ้ยจิตของผู้ที่รู้เขาไม่เฉมนี้นะจะว่าจะไม่เฉมนี้นะมันต้องเปลงแสงที่มันต้องเปลงแสงนู่นเงแสงนี่มันต้องเป็นผู้รู้สิมันต้องมันต้องแบบเบิกบานกว่านี้มันไม่ใช่แบบนี้มันจะเฉมอย่างนี้ได้ไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยยมไม่เชื่อ ก็ม่เชื่อไม่เชื่อ อ, อ่างเงี้ยแอบสู้กับมันสู้สู้กับสุภาว่าที่เป็นตอนนั้นนะคะหลวงไม่ยอมรับตอนก็เลยที่จะาลาเลยหลาอย่างไรอย่างนี้นนจนตอนนี้เมื่อเช้านดน้ำต้นไม้คือจะเรียนสุาว่าหลวงตาก็มันก็ต้องยาวแล้วก็ ท, ที่ไม่ให้ไม่ให้แบบ อ, อารมณ์อะรต่างมันปากดในปาไม่ไม่ลู้ปาเป็นอะไรใช่ไหมค่ะ้รื่องแบบนี้ว่ามันถึงจะได้สุนทรภ เราไล่ามาเรียงมาตามลำดับมาเป็นแ บ, บนี้เมืเช้านิยมเป็นรถพักต้นไม้รน้ำต้นไม้ไฟมันก็รู้สึกรู้สึกเ้เราก็อยู่ในสภา พ, าพปกติแล้วนะลูกเต้าเราก็สุบภ้อสืบปูกติขึ้นะถ้าไหนลืมบอกลุงใจยังว่าลูกสาวยยมต้องสกุลน่ารักมากอมตอนนี้ท่านหลงพ่อห น, น้ารักมากลูกคนโตที่ไม่มีสนใจใคร กลัมาดูแลแม่ดูแลแม่มากมากสน่าสงสารมากเลยสันต า, าสน่าสงสารมากเล ย, สสเลยดูแลแม่สสมสสมทำบพ่อแม่านก่อนจะไปทางานใช่ไหมจมตอนช่วงพิยมร่างกอ่อนแอนแล้วน่ะจมไปโรงพยาบาลมาสามโรงพยบาเลยนุกค่ะสามโรงพยาบาลทางขึ้นสูงสันตยาแต่ถามว่าทุกไหมทุกไหมไอ้ความทุกแบบลุรลุกตอนที่เราเคยเทุกๆกแบบทุกแบบโอ้ยตกอกตกใงอะไรไปตัว มันไม่ได้เป็นความรู้สึนั้นมันเป็นความรู้สึกยอมะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยตรงจ้ามีความต้องคิดเข้าใจว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเราให้เขาไม่นอนเมื่อเขาให้ไม่เขาไม่นอนร่างกายก็ต้องเป็นอย่างงี้แต่ถ้าว่าเขาตอนหลับหรือร่างกายเขาก็ดีเขาไม่นอนก็เป็นอย่างนี้แหละเข้าใจแบบเนี้ยอืมตอนนี้ก็ไปหาหมอแบบแต่ไม่เชื่อแบบแม่เลยแต่ทำไมทำการเคลื่อนไหวตรงนูหมอลองอีกที คือสุดท้ายพี่พี่ยมแบบว่ารู้สก่ต้องเล้สบางยอแล้วเนี่ยแต่ว่าแต่ก็ความันยังไม่ตขึ้นอยู่เนี้ยแล้วก็บอกกับลูกแต่ว่าบาว่าลูกโยมช่ขึ้นนะคะตกขึ้งพาแม่ไปหาหมอให้ลูปแม่แม่ความดันขึ้นมากเลยแ่เป็นห่วงกับลูกของลูกก็เลยพาไปหาหมอไปหาหมอก็ไปลอกตให้หมอฟังวคันขึ้นแล้วก็ชุ่มไปตอนเส้นเต้นเย like อมมากแล้วก็สุ่ม อยู่คุณมอว่าจะกลายเป็นโรคด้วความดันก็ราะยัไม่เคยความดันมาก่อนอ่าแต่นะหมอบอกว่าไม่ใช่โรคความดันแต่มันมีแความเครียดเป็นความเครียดแล้วก็เดี๋ยวทางยาเลยหมอก็มากวดมาปดไหทอ ย, ยปวดตรงนี้ตรงนี้ปดแม่โอทึงตรงนั้นตรงนีน้แต่นหมอก็เลยให้ยาคลายกล้ามเนื้อมาและให้ยาคลายเครียดมาเดี๋ยวก็หายก็รู้ไม่ใช่โรคความดันใช่ไหมหมอไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก็หายแ ะ, นะ้ว แต่ปรากฏว่าตอนที่ยอมไปหาหมอครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ยอมคิดว่ายอมเวรความดันอยู่เนี่ยเพราว่ายอมยอมแบบมีอาการแบบหัวใจเต้เลยฮะยอมเอาเรวัดความดันแล้วครับอู้มันสูงสุดเขาเลยบอกให้คุณพอเลยพอในขนาดที่ลดทอปเนี่ยดวงตาพอแคบปกปิดหัวที่แบบว่าพอที่เราไปอาการหัวใจเตริเมันสบายมันนอนมันลดลูกสบายอ่ะมันยังไงวันนี้เมื่อกี้มันเป็นอย่างงี้ตอนนี้มันไม่เป็นแล้วแล้วกำลังเดินทางไปหาหมอเอาไปก็ไป พอไปถึงหมอปรากฏโ่าความดันลงหมดตุกสิกอย่างเลยคือไม่ได้เป็นความดันแล้วสมองก็ให้จะมาเราก็บอกมันเพิ่งจะมาเป็นนะคะคุณหมอมันมันเป็นมาเมื่อวานนั้วก็เป็นค่ะแต่เช้าก็เป็นเนี่ยตอนเมื่อเมื่อกล้าที่ก่อนที่มามันก็เป็นให้มันมาลงแต่บอกมันไม่ใช่โรคความดันแล้วสช่ไหมอากไม่ใช่อเดี๋ยวจะเด็กไม่นอนกับเขาจนที่ก็จดีขึ้น อาจารันายคลินิกบาลสามโรงพยาบาลเลยนะอาจารไอตัวผู้รู้ที่มันทำงานตลอดเวลาเนี่ยมันทำทำมโยมแบบแต่ก็แต่ก็คุ้มค้างอะคุณผู้ชมค่ว่าเนี่ยอนี้ยังก็อยู่ในสภาพที่สภาพทแบบโลกก็แบบอะไรอะไรต่างกิแต่ว่าแต่ว่าสิตมันมันมันมันมันจะเป็นชิมๆเหมนต่ออีกหรือเปล่าเนี่ย แค่โยมเข้าไปพิจราณรณาอะไรอนี้มันจะเชื่อมดวงตาอู้ยโยมกลัวมากโยมกลัวความเชืม่มโยมกลัวความไม่ไหวจริงกลัวความไม่มีปัญญาโมกลัวว่าหายจบไม่ไปไม่เข้าไปดูแล้วอะไรเงี้ยเอาแล้วอะไรเงี้ยไม่เอาแล้วไม่ดูแล้วอะไรเงี้ยพักพักั้าวันวันนั้นนะคะที่ที่โยมที่โยมก็่วยที่โยมเริ่มเนี่ยเสร็จแล้วโยมก็ไายไปหาท่านแบบแบบโยมไม่ได้ปรึกาใครฮะโยมก็แบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ย แต่ว like er so well, ่าท่านท่านท่านท่านท่านปุบาตูนะท่านอาจจะอยู่ใกล้หลงตาเน้นยมุตปเดีนใวงตากำลังทำประโยชน์ก็รมอยู่เมือเชย็นก็ไล่ไาย่รหลวงตาอาจจะ้ว่าหวว่าต้องไท่านปุบาตูก็อาจจะเรียนหลงตาได้่อนนั้นว่าเดืเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยแต่แล้วก็แบบว่าพอเสรจเรืยอมาดูไล่อะหลวงตาไล่มาบอกปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางทุกสิ่งทุกางความรู้ ถ้าที่ อ, อะไรสภาพรู้อะไรเงี้ยุกอย่างทุกสงุอย่างบา้าหมดหมแม้กะทั่งดวใจตอนนี้โยมโยมใจจะบอกหลวงตาว่าโยมวางไม่ได้จยมวาไม่ได้มันมันไม่ใช่โยมจริงๆไอ้ตัวรุ่นไม่ใช่โยมจริงๆโยมวางไม่ได้โอ้โยมจะทานยายาเอ๊ะรับยาแท้แท้ในสองเม็ดนั่นนะฮะตอนนี้นพอเสร็จแล้วโยมก็มาทีห่หรือว่าเราอธิฐานให้ทุสิ่งทุกอยาง ม, มกากดในภพชาติน้ทั้งหมดหเป็นข้อน้องก็พอ อธิษฐานใหม่ลรงตาวันนีขึ้นมายังอธิษฐานใหม่ขอขอขอขอรู้แค่ขอรู้แค่ขั้งห้านี้ทรงอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้เท่านั้นไม่พูดหมองเนี่ย <laughs> <laughs> มันเงมันี้ค่อยวางค่อยวางนะหลวงตามันเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะค่อยๆแบบค่อยๆรู้ชา้าๆมันไม่รู้เร็วแบบแัง น, นะลงหลวงตารู้เร็วแบบตั้งสิบ มันรู้ชา้าช้ารู้จะชาช้าอะอย่างเงี้ยแล้วที น, นี้ก็คือตอนนี้ก็คือว่าเป็มารู้ว่าอ๋อมันช่วยได้มันช่วยคือความรู้มันมันจุอยู่ในจิตแล้วเราไม่ต้องดึงขึ้นมารู้อีกแล้วมันมันจุอยู่ในแล้วเราไม่ต้องดึงที่จะระาขึ้นมาอีกแล้วเราเอามาใช้เวลาที่กายมันทุกมีจิตมันทุกเราเอามาใช้ได้อืมาแก้ไขได้ มันเป็นอย่างนี้นี่เองมันมาช่วยแก้ไขพอพอมันถูกเกิดขึ้นครับเนีสภาพรู้มันจะจำกับกกําับทันทีเลยกํากับเดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องพิจญายาวมาตั้งแก่อนไม่ต้องอยู่ในสูรแบบที่เรามานั่งท่องนั่งอะไรกันอันนี้มันเกิดขึ้นเองเลยมันก็มันยอมรับจริงๆแล้ว่รรพสิ่งในโลกนี้ล้วนบังคับไม่ได้ไม่เดือดในใต้บังคับเป็นชาของเราเลยอืมอไม่ต้องไม่ยอมเนี้ยเยอมเนี้ยอืมอืม ทําอะไรได้ทุกอย่างแต่มันรู้ยังหลายทีเลยนี่ยมันใช่หรือเปล่าอาจารย์ก็ใช่แล้วแต่มันอริษานแรกมันก็ตุดตกไปคือมันอริษานไปตั้งไว้แบบนั้นว่ามันให้ให้รู้ทุกอย่างมันก็เลยว่ารู้ไม่หยุดพอมาที่ฐานต่อหลังมันก็ปฏิฐานแบบว่าไปเอาแค่ไปเอาแค่ให้ขันห้าทรงอยู่โดยฐานในกูบาอาจารย์ท่านให้สิ้นกิเลสทั้งหมดหรือรู้วิญญาณในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ทั้ง ทันทีไม่มีเงื่อนขไขใดๆเงื่อนไขใดๆที่หมดที่ที่ไปไปอธิษฐานผิดอะไรได้ทั้งหมดอะล้างทิ้งเียงเลยแล้วร่วางกายที่เป็นอยู่นี่มันเขาเรียวกว่อาอะไรอื่นปะตรงนี้นะมันจะมันจะขยับนิดหนึงขยับนิดนึ ง, นนงมันจะไม่เห็นไในตัวขยับคือคล้ายๆกับตอนเนี้นะเดิมนี้มันเหมือนกับอ <c oughs> มันเหมือนกับไอ ي, ความรู้ความไม่รู้อะไรต่างๆเนี่มันเหมือนกับอะไรลนะ่ะประเทศไทยอะ ตอนนี้พมาสื่อสาร ม, มาเข้าค่อยๆยน้นจากประเทศไทยเข้ามาหรือกรุงเทพพอมาพบหลวงตาเข้าปฏิบัติปฏิบัติไปความรู้ควาเห็นน่ะค่อยๆกลับมาเหลือตอัวในบ้านไม่หดเข้ามาเรื่อยเลยอยู่ในบ้านเสร็จแล้วตอนตอนนั้นก็รู้อีกรู้ไปทั้งพอเสร็จแล้วก็ที่ฐานรู้ให้รู้หมดเลยตอนนี้ก็รู้ทั้งโลกทั้งจักรวาลทั้งประเทศไทยรู้มากขึ้นมากขึ้นร่างกายก็จนได้ไหวแต่พอเสร็จแล้วก็ที่ฐานไม่เอาแล้วไม่เอาอันนั้นยกเลิกรู้ทั้งหมด เหลือแค่ขันห้าก็กลับมาลุนในบ้านอีก <Yeah. S 1> ตอนนี้มันยังมันยังเป็นในบ้านมันก็ยังไม่ใช่จิตเดิมแท้มันยังเป็นขันห้าอยู่ต้องเข้าไปถึงจิตเดิมแท้ธรรมธาตุของเป็นธรรมธาตุเป็นนิพพานธาตุอือเป็นธรรมธาตุน้ำตาเตรียกน้งตาบัวเรียกธรรมธาตุเป็นนิพพานธาตุน้ำปูนุเรียกพุทธะในหนังพระเจ้ามหาสัตว์เรียกพุทธะเข้าถึงพุทธะคือจิต ด, ดั้งเดิมไม่จิตเดิมแทะ เลยขันห้าไปอีกไม่ไม่ไม่หยุดแค่เราขอให้ขันห้าตัว อ, อยู่ได้ให้เข้าถึงถึงใจถึงธาตุรู้ถึงนิพพานธาตุในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีเงินไขายใดทั้งหมดทีล่างเงินไขเก่าที่งี้เกลี่ยงมันยังเป็นแบบว่าค่อยๆเข้ามาจะถึงขันห้าจะถึงไอขันห้าถึงตัวบ้านแล้วแต่ยังเข้าไม่ถึงยังไม่คือยังไม่หยุดที่ใจเป็นหนึ่งความรู้ก็เป็นหนึ่งทุกอย่างเป็นหนึ่งหมด หมดแล้วไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไ ร, ไะไรต้องแสวงหาความสิ้นสงสัย <onu? S 2> สิ้นการแสวงหาความรู้เหลือแต่ใจเป็นหนึ่งที่จิตเดิมแท้ใจเดิมแท้ทุกอย่างมันก็จะออกรู้ออกมาจากใจเองแหละเพราะว่าใจมันคือ <recibir S 2> <im> จักรวาลมันเก็บไว้ทั้งหมดแล้วบุญบาปดีชั่วกุศรรลนอกกุศลเราเกิดมาทุกภพทุกชาตินันตาการบุญบารมีทุกอย่างก็สร้าง ม, มาทั้งหมดแลยเก็บไว้ ท, ที่ใจแน่แนะใจแน่แน่เหมือนคลังคือจักรวาลนน่แน่เหมือนคลัง แต่มันเป็นครั้งที่เก็บไว้แบบไม่มีที่อยู่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยแต่มันกลายเป็นความว่างเปล่าหนึ่งเดียวกับจักรวาลนั่นแหละพอไปเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลแล้วความรู้ในนันะ้นอะมากกว่าความรู้ที่เรามาไล่แบบนี้ทั้งหมดที่ไล่ตามตำราทั้งหมดคือคืยอมยอมยอมจนสภาพอย่างนี้มาก่อนแบบตอนแรจจกจนจนจบจนไม่มีที่จะพิจนารณาแล้วยอมถึงได้มาหาสิ่งที่เพรเพราเอ๊กทก็บอกว่า อี่ที่เี่คุณต้องเรียนที่ทํารนอะไรมาเข้าพูดถึงองคทํรต่างๆว่ามันเป็นยังไงก็ถูกต้องแล้วแบบนั้นก็ถูกต้องแล้วพอพอตรู้จบมาแล้วก็ต้องกลับมเองกลับมารู้อยู่กับที่ไม่มีใครรู้ไม่มีตัวตนผู้รู้ไม่มีอะไรเลยคือไม่มีคําพูดใดๆนะทั้งหมดอ่ะเงียบสนิทไม่มีอะไรคําพูดใดๆทั้งหมดไม่มีโลกไม่มีธรรมไม่มีธรรม ไม่มีอะไรเลยไม่มีจักรวาลมันเป็นความมัางเปล่าที่เป็นความมั่งเปล่าที่รู้ว่ารู้องอยู่ในอยู่เหมือนรู้อยู่ในทีใช่ไมครับดวงจันทรมันก็ไม่ไม่สนใจเลยไม่รู้อยู่ในทีมันก็ไม่สนใจที่จะรู้ด้วยทุกอย่างเหมือนดับสนิทไม่มีเหลือแม้แต่ผู้รู้อยู่ในทียังก็ยังอ ง, งอยู่ว่า ไอ้ตัวรู้อยู่ในทีไม่ไม่ต้องะไอ้เรืจากมันจะมันจะมีตัววิธิกิชาตัวสองสายมันจะเป็นสังยอดเพราะตัววิกิจิชาไป้สังโยกษ์ที่มมีวิจิติชาด้วยนี่แหะมันธรรมชาติภายในภายนอกมันจะสงัดไปหมดเลยอ่ะทั้งจัปรวาลไม่มีคำพูดใดๆไม่มีสมมติเใดๆไม่มีสมุติไม่มีมุตีอะไรทั้งหมด ดีแต่ความสัดไปหมดเลยทั้งภายในและภายนอกไม่มีรู้อยู่ในทีไม่มีอะไรเลยมีแต่ความสัดไปหมดเลยทั้งจักรวาลเหมือนทั้งโลกทั้งจักรวาลไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยไม่มีสมุติไม่มีริมุดไม่มีอะไรเลยไม่มีโลกไม่มีธรรมมันมันมันมันมัน ยังไงล่ะ ม, มันมันเกิดขึ้นเองก น, นัอกนอเออมันมันอยู่เงี้ยเราต้องหยุดไม่มีมันไม่มีคาพูดไม่มีไม่ไม่มีเหตุผลใดๆด้วยไม่มีเหตุผลทั้งหมดทิ้งเหตุผลด้วยหมดเลยไม่มีเหตุผลใ <ผล S 1> ดเลยเลยลกเารไมไม่ขณะปัจบันจะไปสงสัยอนาคตถึงันจะเป็นทำเมาอาดีตเป็นเมาอนาคตเป็นทำเมาจะไปสงสัยอย่างนั้นะิา้ใช่ รู้สว่าอะอธิษฐานนี่มันสำคัญมากใช่ใช่สุดตังเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะกลายเป็นทำเอานี่สุดตังก็จะกลเ็นาจก็ยังมีอยู่อนั่นอ้นี่ก็ยังมีอยู่เี่อธิษฐานเอาแล้วก็แล้วก็ปล่อยวางไปหมดเลยอ้ถาเอาแล้วปล่อยวางหมดเลยไม่เป็นสังเกตด้วยมงเงนมันจะเอาความรู้มาขึ้นมาปรุงเถียนในจิตมาค้นหาในจิต ขนตาขนทางรู้นะฮะอย่างนี้ก็ต้องเป็นแบบปฏิฐานเอาอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องไม่ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปยึดท่านยึดไม่อีกใ่เดี๋ยวมันแค่เป็นัวลตัวตัวนั้นตัวนี้ก็จะตาโกดวยไงใช่ไหมแต่ตากดก็เหมือนเราลูรู้อยู่มันไม่มีอะไรจะปล่อยมันแล้วก็ปฏิฐานแล้วแล้วไปเลยมันเป็นเรื่องนอกเหตุเหนือผลอไม่ค้นหาเหตุผลใดๆทั้งหมด เข้าใจเข้าใจแล้วเหมอกัอืมมัอนจะไม่มีคุณหามันคล้ายๆกับว่ามันมันเหมือนกับว่ามันยังมันยังไม่ใช่ว่ามันยังเคลื่อนที่ไหมก็ว่าความรู้ของเราเนี่ยยังเคลื่อนที่ไปเป็นเหมือนก็เคลื่อนที่ไปเป็นบินก็เล็กกว่าบินเล็กกว่าบินเป็นเป็นลำมโนเป็นเล็กกว่าลโนเลย่มันยังเคลื่อนที่ไปมันยังไม่ไม่หยุดในหยุดไม่หยุดได้หยุดจริงๆคือมันยังเป็นเนเคลื่อนที่แต่มันถ้าเราแทบไม่มองออกไม่ออกเลยว่าเราเป็นคนยังเคลื่อนที่อยู่มันเราไปเคลื่อนที่ไปเป็นสองขานัวเอง แต่มันเคลื่อนที่ที่ิลวมากเลยเ ล, math, ล, ล, ten, ล็กน้อยเล็กน้อยเป็นความตึกเป็นความตึกเรวิตกจงกายมัเป็นส่วนที่เป็นตึกวิตกตัวเองเป็นสังขารซะเองามเคมันเ wszy, มันเมือนมันมันจะมีการตึกอยู่มันจะมีการตึกจะมีการตึกในเหตุและผลในธรรมที่ปรากฏในสิ่งที่เราทําได้ปฏิบัติได้มันจะมีความตึกอยู่ตึกในธรรมอยู่ ตึกในความคิดโลกตึกในความเป็นธรรมอยู่คุยังตึกเรื่องนี้อยู่ <c oughs> เพราะว่าโยมยังตึกตึกเรื่องโลกตึกเรื่องธรรมตึกความคิดโลกตึกเรื่องความเป็นธรรมยังตึกอยู่มันยังหลง ก, กับตัวไปตึกเปลี่ยนสังขารอยู่ต้องเลยนี่พี่ขีกค น, ก ธ, น, น ธ, ธ์ทางตรนนี้ก็คืออธิษฐานอธิษฐานนะคะหลวงอธิษฐานแลน้วก็ปล่อยวางแล้วก็เงียบสนิทเลยไม่มีคำพูดใดๆไม่มีเหตุผลใดๆหลวงพ่อชาติใจกับว่านอกเหตุเหนือผล เหนือเหตุเหนือผลหมดคำพูดกันตรงนั้นนหละสภาวะตรงนี้มันยังไม่เกิดตรงนั้นอย่ารอจะข่าวเราแล้วก็เลยค่ ะ, ะตามมีอะไรแนะนาอีกไหยคะก็ไม่ใด้หยุดอย่างเดียวนะ่ะหยุดแล้วก็ปล่อยวางหมดส้นปล่อยวางเหตุผลใดได้ทั้งบนด้วยปล่อยวางที่จะไปเป็นอะไรด้วยหลือแต่ปัจจุบันนี้เลยไม่ไปเป็นอะไรอีกแล้วไม่ไมปรอสภาวะอะไร แต่ยังรอสภาวะก็เป็นกิเลสตาัค่ะถ้ารออะไรก็เป็นก<ช>ิเลสตัณหาปปมีแต่ปัจจุบันที่หยุดติดไม่มีอะไรไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีไปข้างหน้ามีแต่ปัจจุบันก็ทําการงานอะไรเป็นปกติใช่นนขาย<ช>ไม่ต้องไปเขา้าไปดู อ, อะไรแล้วใช่ไหมคุณตาใช่ทุกอย่างนนาปปาาเป็นเองขอที่อย่างเขาเป็นตัว เ, เอง เวลาชนะดวงตาถ้าดวงตาพิจารณาเองถ้ามันแก่รอบพิจารณาเป็นเองใช่มดวงถูกต้องถูกต้องหาทู่้าหลวงตาตาทู่มากๆเลยเนี่ยยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนจสรุปแล้วก็คือว่าไม่มีผู้ไปไม่มีทางที่จะไปไม่มีไม่มีทางที่จะไปไม่มีที่ที่จะไปถึงไม่มีทางที่จะไปและก็ทิ้งผู้จะไปเสียทิ้งเดี๋ยวนี้เลย ทางที่จะไปก็ไม่มีที่ที่จะไปถึงก็ไม่มีและไม่มีผู้ที่จะไปกพราะไม่มีตัวตนของเราไม่มีตัวเราจึงไม่มีตัวเราที่จะไปไม่มีทั้งทางไม่มีทั้งที่ที่จะไปไม่มีทั้งผู้เดินทางไม่มีตัวเราผู้เดินทางจึงไม่มีตัวเราที่จะถึงอะไรมีแต่ปัจจุบันที่สิ้นความยึดปั่นถือมั่น ก็ไม no ulations, ่มีตัวเราสิ้นความยึดมั่นถือมั่นมีแต่ปัจจุบันไม่มีผู้ไปยึดบ้านถือมั่นอะไรตัวตนของผู้ไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีไม่มีตัวเราสิ้นความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้สาคัญนะฮะมีแต่ปัจจุบันที่จะมีตัวเราสิ้นความยึดมั่นถือมั่นมีแต่เหลือแต่สภาวะตามความเป็นจริงทุกขณะปัจจุบันที่ไม่มีใครเข้าไปยึดบ้านถือมั่นไม่มีผู้ไปยึดบ้านถือมั่นไม่ใช่มีตัวเราสิ้นความยึดมั่นถือมั่น ตอนนี้โยมน่าจะอยู่ตรงที่มีตัวเราซึ่งคนยึดมั่งชีวมั น, อมนเออถูกต้องถูกต้องเราจิ้นเน็ตอยู่ตรงนี้ไงไม่ไม่ไม่ต้องไปติดอะไรแล้วมันแบบว่าอที่ฐานแล้วก็อยู่กับปัจจุบนันอยู่ปัจจุบันที่ไม่มีผู้เราเข้าไปยึดมั่นถึงมันอะไรจะลองจะ มากมากเลค่ะโรคสภาวะตรงนั้นยังไม่เกิดขึ้นล้วมัสก็ไม่ได้เออไม่ไม่ไม่ไม่มนี่แสดงว่าหมายไว้แล้วที่แสดงว่าหมายไวแล้วเมื่อกี้คำพูดเมื่อกี้แสดงว่าในใจหมายไวหมายไว้แสดงว่าในใจเมื่อกี้เนี่ยเออออธิษฐานแล้วก็เสร็จจบอธิษฐานเพื่อแก้ล้างความผิดพลาดไปอะไรทั้งหมดในนั้นแล้วก็จบเลยไม่นี่มีหมายว่าเออสภาวะตรงนั้ยังไม่เกิดเราทำอะไรไม่ได้แสดงว่านี่หมายหมายมีสภาวะลวงหน้าอนาคตเป็นทําเมา คือคือเมื่อกี้อลงหลงตาบพู้ให้ฟังความเข้าใจยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเพราะว่าประภาวาของโยมมันไม่เป็นยังไม่เป็นอย่างนั้นนะคะโยมก็เลยไม่เข้าใจค่ะแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่ไม่โยมดวงใจเห็นได้เลยตรงเนี้ยในใจลึกๆของโยมดวงใจเนี่ยมีดวงใจมีโยมดวงใจมีตัวดวงใจ มีใจของดวงใจที่จะไปถึงจะไปเอาสภาวะนั้นจะให้ไปเป็นสภาวะนั้นตอนนี้เลยเนี่ยอวิชชาในใจ เ, นเห็นอยู่เนี่ยมีใจของโยมดวงใจหรือพี่ตัวโยมดวงใจเองเลยนะเนี่ยจะไปเอาสภาวะนั้นไปให้เป็นสภาวะนั้นไปถึงสภาวะนั้นทิ้งทิ้งเดี๋ยวนี้เลยทิ้งตัวนั้นอะ่ะไม่มีหรอก เพราะอ้ตัวนั้นเนี่ยคืออวิชชาที่ขวางอยู่ในปัจจุบันนี้ <the> คือไอ้ตัวไอ้ oh, ตัวที่ oh. มีโยมดวงใจจะไปเอาอนะไรเนี่ย oh. ไม่มีอะไรเลยมีแต่จบลงในปัจจุบันจบที่ใ จ, oh. จที่ใจในปัจจุบันนี้เลยไม่มีตัวโยมดวงใจจะไปเอาอะไรนะจะจะไปเอาสภาวะนั้นหรือให้ไปถึงสภาวะนั้นจบเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้ วางเดี๋ยวนี้วางตอนนี้เลยเขาอบคุณหลวงตานะคะหลวงตาอืจุม่มยอมรู้ว่าตอนนี้ยคือมันมีตัวโยมที่วางอยู่อืมฮะมันมีนตัวที่วางอยู่คือแบบว่าสภาวะตรงที่ว่างก็จริงแต่มันว่างจากความ บ้างจากความไม่ยึดถือ ส, สภาพสภาพต่างๆอืมสภาพต่างๆในกฎใช่ใช่ให้ถือแค่นั้นเองแค่นั้นเองค่ะใช่ค่ะเราจะก้าวหน้าไปแค่ไหนก็ก็แล้ว แ, แต่อะไรธรรมชาติจะสะสันแบบว่าก็อธิษฐานไปไม่ได้ไม่ได้บางทีลราโยงก็ไม่ได้หวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้โยงแค่ว่าโยงแค่ว่าเออเราสภาพอยางนี้มันเป็นอย่างนี้ จริงเนาะโอ้ยมาเป็นอย่างนี้จริงเนาะโอ้ยทำไมมันเป็นนี้จริงเนาะอะไรเงี้ยอ่าแค่นั้นเองคิดว่ามันน่าจะเป็นการปฏิบัติสุขแล้วมั้งมาถึงได้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือแบบว่าเราไม่ไม่ได้ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้แค่ยี่สิบวันที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีความฝาถนาอะไรอะไรเลยไม่ได้ปวามฝนารุนแรงอะไรหรอกจ้าแต่ว่าสร้างเหตุมาอะไรแคนั้นเองค่ะสร้างเหตุแล้วก็อธิษฐานเราแค่นั้นเอง ตั้งเห็นมาเรื่อยๆบูรพิตประกอบดปัญญามาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เลยก็กมันก็เกิดขึ้นเองโดยเนี่ยก็เลยเชื่อว่าองค์ปฏิหารไม่มีจริงอ <c oughs> ืออืออือแล้ก็เลยว่าเอออธิษฐารหนูตาพูดนะนเดี๋ยวจะปฏิหารอือนะเดี๋ยวนี้เลยอาจเดี๋ยวนี้เนี่ยเสาร์น้เนี้ยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันจบคือจบเดี๋ยวนี้จบในปัจจุบันนี้ ไม่มีใครใครจบไม่มีใครอะไรทีแต่ว่าคือสู่ธรรมชาติเดียวนี้เลยคือเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติฐานเสร็จก็กคือเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเลยธาตุดินก็ไปดินน้ำก็ไปน้ําลมก็ไปลมไฟก็ไปไฟความว่างกับกับคือสุ่ธาตุู้กจะเป็นความว่างของธรรมชาติพลังงานความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็เป็นแค่พลังงานเป็นคลื่นจะเดือตามธรรมชาติของแผ่นห้าก็ทำงานไปจนกว่าแผ่นห้าจะแตกกันแล้วมันยังต้องทํางานทางโลกได้หรือไม่ฮะไม่โลกก็ทําไปก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ต้องเป็น วางเดี๋ยวนี้อธิษฐานแล้วก็วางคืนธรรมชาติเดี๋ยวนี้เลยเป็นหนึงเดินธรรมชาตินี้ดินเป็นดินน้ําเป็นน้ําที่สมบูรณ์ดีก็เป็นดินสมบูรณ์น้ำเป็นน้าสมบูรณ์ลมเป็นลมสมบูรณ์ไฟเป็นไฟสมบูรณ์ทัดว่างก็ว่างอย่างสมบูรณ์บริสุทธิ์สมบูรณ์พลังงานก็เป็นพลังงานที่สมบูรณ์แต่เป็นเป็นธรรมชาติคือธรรมชาติทั้งหมดไม่มีเขาไม่มีเราอีกเลยไม่มีสภาวะใดที่จะต้องเป็นในฐาน ถอนคืนสิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งหมดที่ทเคยทิฏฐานอะไรที่เป็นอุปสรรคที่มาให้กับคืนเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติค่ะค่ะจะตามหลวงตาบอกค่ะอืมอืมอืมค่ะขอบอกหลวงตามกกตตามกๆเลยนะคะหลวงตาอืมอืสาธุ